น้อมน้อมต่อรตัตนไตยขอาการาบบูชาท่านหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอาการาบบูชาท่านหลวงพ่อกรมพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์นรงวิตย์พระอาจารย์วัฒนชัยแล้วก็พระเทลานุเถรละทุกๆลรูป แล้วก็พันเตเคลื่อสนสาธรรมมิกจเจริญพรแม่ชีผู้จเจริญในธรรมทุกทุกท่กทนานวันนี้ถือว่าเป็นการคุยพูดคุยเรื่องธรรมะมอย่าถือว่าเป็นการเทียดเลยเนาะวันนี้เป็นวันที่13าตุลาคม พศ 2,558 ตรงกับวันขึ้นหนึ่งคำเดือนสิเอ็เนาะวันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่เนาะตามจิตตามภาระคือเราบวชเข้ามาแล้วมีอะไรบ้างที่ได้สัมผัสก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะซึ่งเริ่มต้นก็จะพูดถึงเรื่อง หลักพระธรรมวินัยคำสั่งสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้นำมาเป็นแม่แบบเนาะสำหรับการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ก็คือทาใดที่เป็นทาเพื่อเป็นไปเพื่อกาจัดทุกข์อันนี้ก็เป็นธรรมคำสุขสอนของพระพุทธเจ้าทาใดที่เป็นไปเพื่อการ ขายกำหนัดอันนี้ก็เป็นำคำคาสับสอนของพระพุทธเจ้าและทำใดเป็นไปเพื่อการสงัดปปาสจักหมูนะ่ไม่คุกคีไม่ค่อยสนทนาให้บ่อยอันนี้ก็เป็นคำสังสอนของพระพุทธเจ้าและทำใดที่เป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่นะอันนี้ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรง ส่งเสริมการอยู่ง่ายกินง่ายเนาะและทำใดที่เป็นไปเพื่อการเลี้ยงง่ายอันนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าและทำใดที่ไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้คือหลักการปฏิบัติการแบพื้นปฏิบัติต่อไปก็เกี่ยวกับการมาอายุวัตสุขโตเนาะ มาอยู่วัตถุโตอันนี้คือเรียกว่าสถานสถาบันสติปฐานคือการปฏิบัติโดยการาสมรถะและวิปัสนาปฏิบัติตามหลักสมถะกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติโดยการเคลื่อนไหวการยกมือสร้างจังหวะ และใช้สติเป็นฐานกำหนดรู้โดยกายอาจใช้สติเป็นนักศึกษามีกายเป็นตำราเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ๆก็คือการดูกายดูความเคลื่อนไหวของกายให้เรามีสติเป็นตัวติดตามดูเพราะฉะนั้น การปฏิบัติของพวกเราในที่เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ก็คงจะเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเนาะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติก็จะต้องกําหนดรู้เป็นผู้ดูเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นไม่ให้เป็นผู้เป็นเกี่ยวกับกิริยาอาการอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นความทุกข์ความโศก อาการของกิเลสที่มันเกิดขึ้นมันทำให้เราหลงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติอยู่กับกายสติอยู่กับตัวเองเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกเมื่อมันหลงไปเนาะเมื่อมันหลงไปมันก็ผิดธรรมชาติเราก็มีสติเป็นตัวกาหนดถ้ามันหลงเราก็รู้ คือคนเรานี่เนาะมันก็มีอย่างท่านว่าสีเท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พังเพราะฉะนั้นเมื่อมันพลาดมันพังมันหลงไปเรารู้อันนี้ถือว่าไม่ผิดเนาะมันไม่ผิดเพราะเรารู้คื อ, อท่านหลวงพ่อคำเขียนนะ่นะท่านพูดว่าจิตของเราเนี่ยมันคิด ไปต่างๆนานาแต่ละวันเนี่ยเราคิดอะไรบ้างมันลักคิดนะที่เราไม่รู้มันคิดจนเราหลงหลงตัวบางครั้งหลงเพลินไปเราทำอะไรก็ไม่รู้ว่าเราทำปฏิบัติสิ่งไหนก็ไม่รู้ว่าเราปฏิบัติอันนี้เพราะว่ากิจเราคิดมากเราขาดความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกมันก็ลอยไปบางครั้งเรานั่งอยู่ที่นี่ แต่มันไปถึงโน่นไปถึงกรุงเทพมันไปถึงเมืองถึงโรงอาหารไปถึงสถานที่บันเทิงต่างๆๆที่เราเคยไปสัมผัสเราเคยไปดูอันนี้เรียกว่าความหลงนะความหลงเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีสติเราก็เรียกมันกลับมาความคิดของเราเรียกมันกลับมาฉะนั้นการปฏิบัติของเราท่านจึงให้ กำหนดสติให้เจริญสติการเจริญสติก็คือการปลุกให้ความรู้สึกของเรามันจดจอ่อให้มันเจริญมากขึ้นสามารถที่จะจำความคิดของเราที่มันคิดออกไปเนี่ยเรารู้เราเรียกมันคืนมาเมื่อเราคิดไปก็เรียกมันคืนมาบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะทำให้เรารู้สึกตัวไม่หลง อันนี้คือหลักการปฏิบัติเนาะสำหรับการยกมือสร้างจังหวะก็มีอยู่14จังหวะใครๆก็เข้าใจเนาะที่เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเรายกทีไรเราก็รู้ยกทีไรเราก็รู้ถ้าเกิดว่ามันหลงมันไม่รู้บางครั้งเราจะทํำยังไงมันยกยังไงมันก็ไม่รู้มันก็กิดมันก็ล่องลอยไปอยู่อันนี้ ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะมันมันรู้ยากบางครั้งเนาะเราก็พยายามนับอันนี้เป็นการปฏิบัติของตัวเองเนาะพยายามนับเริ่มหนึ่งสองสามใบไปถึงสิบสี่อ่าเริ่มนับไปเรื่อยๆนับนับไปนับไปนับไปเมื่อมันจําได้มัน่นแม่นยําแล้วก็เลิกนับมันเป็นไปตามอัตโนมัติอันนี้คือการยกมือ ไปการเดินการเดินท่านก็ให้รู้กําหนดรู้ก้าวเดินไปกําหนดรู้ไปอันนี้บางครั้งใจเราก็ลอยไปเหมือนกันมันก็บางครั้งก็ไม่รู้เนาะซึ่งหลักการปฏิบัติอันนี้ยิ่งเราไปครุขีไปคุยกับหมู่กับเพื่อน อันนี้ทำให้มันขาดช่วงเนาะท่านบอกว่าให้มันเป็นลูกโซ่คือเราให้มันเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากรู้ไม่ต้องอยากเห็นไม่ต้องอยากเป็นไม่ต้องอยากมีแต่ที่สำคัญคือการเจริญสติให้มันมากๆเลี้ยงสติให้มันโตให้มันแข็งให้มันแข่ง นั่นนี้ตามตามแบบหลวงพ่อเทียนแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนหรือปรมาจารย์ท่านอื่นๆที่ปฏิบัติแนวนี้ท่านบอกไว้เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติตามแนวนี้ข้อสำคัญคือเรางดการพูดพยายามรักษาเวลาการพูดการคุย อย่าให้มันฟุ้งไปตลอดแล้วมันฟุ้งไปแล้วมันเรียกกลับคืนมายากอันนี้การปฏิบัติของเราถ้าเราเก็บอารมณ์ได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่กูดไม่คุยพยายามรู้ตัวเองพูดกับตัวเองอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อเราเดินเนี่ยมันจะเข้าสู่ความที่เป็นสมาธิหรือมันจะกาเนดรู้ได้ง่ายแล้วเมื่อเราเดินมัน เดินไปนี่ยมันรู้สึกว่ามันเราไม่หลงเหรอเราคิดไปเราก็รู้คิดไปเราก็รู้ถ้ามันคิดออกนอกไปเราก็รู้เราก็ดึงมันกลับขึ้นมาเราดึงมันกลับมาบ่อยๆดึงมันกลับมาบ่อยๆมันก็ขี้เกียจที่ออกไปขี้เกียจที่จะออกไปข้างนอกเพราะเราดึงมันกลับมาบ่อยๆรู้รู้รู้ และเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าเราเดินนี่เพลินมันไม่เหนื่อยมันไม่ง่วงท่านเป็นอย่างนั้นเนอแล้วรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอันนี้เป็นอาการของมันเนาะสําหรับตัวที่มันเราเดินไปทางนี้มันเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือหลวงพ่อเทียนก็ดีหลวงพ่อคําเขียนก็ดีที่ท่านกําหนดเอาไว้ว่ามันเป็นแนวที่เราจะต้องไปถึงซึ่งธรรมะที่ทุกคนทิศ ท, ที่ทุกคนต้องการอย่างาท่านหลวงพ่อสวัสดิ์ท่านบอกว่าพระนิพานพานพระนิพพานมันอาจจะเป็นทางแนวนี้ที่จะเดินไปสู่นิพพาน เพราะฉะนั้นทางที่จะไปสู่พระนิพพานเนี่รู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยราบลื่นเหมือนถนนคอนกรีตหรือถนนยางมะตอยที่เราคิดเราปฏิบัตินี่มันมีอุปสรรคไหมอุปสรรคมีอุปสรร ค, ม, คมีเลยอุปสรรคเช่นนิวรณธรรมเนาะนิวรณธรรมมีอยู่เช่นจิตเราไปติดไปคล้องไป แ, แวะอยู่กับ นิวรณธรรมนี้มันก็มีเช่นกรรมฉันทะการที่เราไปคล้องเกี่ยวอยู่กับเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงหดทัพพระหรืออารมณ์ที่ชอบใจอันนี้มันก็ทำให้จิตเราแตกออกไปแยกออกไปมันออกนอกรูนอกทางอันต่อไปก็คือพยาบาทการไม่พออกพอใจความหงุดหงิดความ อจองไล่ปองไล่ปอง ห, หรือไม่ยพอใจที่เพื่อนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้หรือในอดีตมันจะแทรกเข้ามาเนาะเรื่องอันนี้เรียกว่าพยาบาท น, นี้ก็เป็นสิ่งที่มากีดขวางการปฏิบัติธรรมของเราอันต่อไปก็คือที่มันง่ายๆสาตัวนี้แหละที่มันเป็นจุดสําคัญ ม, มากีดขวางการปฏิบัติ ก็คือทีนะมิทะอุทจะกุจกจะและวิกิกิจฉาอันนี้เป็นเรียกภาษาบาลีเนาะแต่ภาษาที่เราเรียกง่ายๆก็คือความง่วงความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยนี่อันนี้เป็นภาษาที่เราพูดใจง่ายๆความลังเลสงสัยนี่ก็คือจะปฏิบัติ ด, ดีหรือไม่ดีเน ปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรมันทําแล้วไม่รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเลยอันนี้ก็ลังเลเนาะงงอยู่อันนี้ก็เป็นอุปสรรคนะเป็นสิ่งมากีดขวางต่อไปก็ความฟาุ้งซ่านอันต่อไปก็คือความฟาุ้งซ่านจิตใจไม่สงบไม่เป็นสมาธิไม่เข้ารูปเข้ารอยมันโฟองอ่ะ ออกไปนอกแนวออกไปนอกตัวนอกกายนอกร่างกายของเรานี่มันก็ทําให้มันปฏิบัติยากเนาะเพราะเราจะต้องหลักของมันก็คือให้มีสติรู้สึกตัวอันนี้ก็สําคัญนะความฟุ้งซ่านอีกต่อไปตัวงที่มันสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือความง่วงความง่วงอันนี้ความง่วงก็คือเป็นอุปสรรค เราเดินไปเดินไปเดินไปเกิดแล้วเหี่ยใจก็ง่วงเข้ามาหมดกำลังใจทำยังไงอันนี้ถือว่าคล้ายๆกับว่านะตามปฏิบัติมาถ้ามาถึงจุดง่วงความง่วงเนี่ยเป็นนิวรตัวสำคัญที่มากีดกันไม่ให้ไม่ให้เราผ่านไปได้ไปถึงจุดอื่นไม่พัฒนา เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้ถือว่าคล้ายๆกับเราเจาะน้ำบาดาลเนี่ยเคยมีช่างเจาะน้าบาดาลบอกว่าถ้าเราเจาะลงไปแล้วไปเจอฟารานหินหินโคดหินที่มันเจาะยากๆนะอันนั้นคือมันจะถึงน้ำแล้วมันจะถึงจุดสำคัญแล้วเพราะฉะนั้นการเดินก็เหมือนกันถ้าไปถึงความง่วงๆมากๆ ม, มันจะทาใหเราหดหูทาใหเราท้อแท้ไม่สู้มัน แต่ถ้าใครใจแข็งมีความอดทนมีมานะสู้ตายเป็นตาหาวิธีแก้เดินถอยหลังบ้างเดินแรงๆบ้างหรือออกกำลังกายทำให้มันขึ้ น, นมาสู้เมื่อเราผ่านจุดนี้ไปได้มันจะเห็นนะมันจะเห็นผ่านไปแล้วมันจะทำให้เราสว่างแล้วก็เดินสบาย บางครั้งก็ตัวเบาวิวเดินอันนี้คือหลักาการปฏิบัติเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยทำก็จะเจอทุกทุกท่านทุกๆคนนั่นแหละก็จะเห็นเป็นไปอันนี้คือคล้ายๆกับว่ามันจะไปสู่การพัฒนาขึ้นไปสู่จุดหลายๆจุดที่เรายังไม่เห็นเนาะอันนี้คือการปฏิบัติสําหรับการเจริญ ส ม, มถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานของพวกเราและต่อไปก็คือจุดที่ทําให้เราได้มาปฏิบัติเรามาปฏิบัติทําไมข้อเพื่อออกจากทุกเพราะว่าเราเกิดมานี่ท่านว่ามันเป็นทุกแต่ละคนแต่ละท่านนี่มันมันทุกหลายอย่างทุกต่างๆนานาทุกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นทุก์เรามาเพื่อบรรเทาทุกหรือกําจัดทุก เพื่อหนีความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเราเกิดมานี่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลาดพาดจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้น ทุกมากเหลือเกินทุกสิ่งทุกอย่างก็ทุกเนาะแรดร้อนมากทุรนทุลายอันนี้ก็ทุกหนาวจัดอันนี้ก็ทุกหรือปวดหัวปวดท้องปวดแข้งปวดขาอันนี้ก็ทุกหมดก็เพราะฉะนั้นเรามาเพื่อกำจัดทุกเพื่อบรรเทาทุกเพื่อหาทางออกจากทุกอ่าเพราะฉะนั้นทุก เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เรียกว่าเป็นขันห้าเนาะเราเกิดมานี่มันเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าเป็นขันห้าเราก็เลยมาเป็นาธาตุของอะไรของจิตใจนี่แหละจิตใจมันแยกมาเป็นรูปกับนามนามก็คือส่วนของเวทนาของ ขอความรู้สึกนึกคิดอันนี้แหละเป็นนามกายคือรูปเราไม่รู้เราเกิดมาเราไม่รู้ว่าที่แท้จริงนั้นเราเป็นธาตุของอะไรเป็นธาตุของจิตของใจเราถูกใจมันใช้งานถูกมันกดขี่ข่มเหงบางครั้งเมื่อคิดได้โอ้โหเราเป็นธาตุของใจมาเกือบจะตายแล้ว ทำงานหนักเพราะว่าใจมันสั่งมันต้องการมันอยากให้เราทำอะไรมันอยากได้อะไรมันก็สั่งสั่งสั่งเหนื่อยแค่ไหนเราก็สู้เพราะว่าร่างกายนี้มันรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับว่ามันทำตามทั้งหมดเลยมันให้เราทำอะไรมันก็ทำนอนหลับอยู่บางครั้งมันก็บอกว่าเราไปทำโน่นทำนี่เราก็ไปเพราะอันนี้เพราะอะไรเพราะเราขาดสติ ทุกวันนี้เรามาเข้าใจว่าโอ้ขาดสติตัวที่จะยับยั้งอํานาจของใจได้ก็คือสตินี่เองต่อไปนี้เราต้องพยายามฝืนมันแล้วไม่ต้องไปทาตามมันสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ต้องไปต้องไปตามทามันแล้วเพราะว่าใจมันสั่งกิ์มันสั่งทาชั่วก็ทําทาดีก็ทํา ท่านบางท่านก็เทิงเลยบอกว่าใจนี่เป็นนายกายเป็นเบาวจึงมีคําสวดบนหนึ่งว่ามโนโบุพังคมาธรรมามโนเสรามโนวยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสําเร็จแล้วที่ใจใจสําคัญที่สุดมันจะพาเราไปในทางที่ดีก็ได้พาเราไปในทางที่ชั่วก็ได้ถ้าเราไม่รู้ทันมัน เพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติรรมนี่เราสร้างตัวที่จะมายับยั้งความเพเขลิมของจิตของใจนี่ก็คือสติท่านยับอกว่าให้เจริญสติให้มากๆตามดูกายมันจะไปทางไหนมันเคลื่อนไหวอะไรมันขยับยังไงให้เราก็รู้เมื่อเรารู้มันแล้วเราก็จะได้ยับยั้งคสั่งของจิต คำสั่งของใจนี่แหละมันต้องการอะไรเราก็ดูว่าเออมันดีหรือไม่เนี่ยมันถูกหรือไม่มันพาเราไปในทางที่ดีไหมเราก็อย่ามายับยัง้งยับยั้งไม่ทำเนาะเ <c oughs> พราะฉะนั้นการปฏิบั ต, ติตัวนี้ก็ก็เลยสามารถที่จะพอบรรเทาพอบรรเทาทุกข์ของเราได้เราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะอํานาจของกิเลส กิเลสพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ใหม่ๆเนาะเมื่อท่านตัดสรู้ตัดสรู้อะไรตัดสรู้อริยสัจสี่ตัดสรูอรรสร้อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือที่เก่าวมาแล้วเนาะเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์รือพัณฑ์ผ้าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ปัถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อ ทุกเมื่อรู้แล้วว่าทุกขทุกมันมาจากไหนมันมาจากกิเลสอะมาจากตัณหาหรือกิเลสหรือตัณหานี่แหละตัวทุกมันมาจากนี้จากตัวกิเลสตัวตัณหานี้จึงรู้ว่าเหตุของทุกทุกแบบสัมุูรไทยสัมุูรไทยคือมูลฐานของทุกมันมาจากไหนมันมาจากตัณหาตัณหามีอะไรบ้างล่ะตัณหามันก็มี กรรมตันหาเพราะวัตันหาวิภพราวัตันห า, า, หากรรมตันหาก็ตันหายินดีในกรรมรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือผลผละเมื่อเราไปทำตามมันนะกรรมัตันหาก็ไปยินดีในสิ่งเหล่านั้นมันก็พาให้เป็นทุกข์นี่ลัดตัวทำให้เกิดทุกข์เพราะวตันหาก็คือความอยาก อยากมีอยากเป็นอยากได้มีเงิน100ก็อยากจะได้200มีเงินพก็อยากได้สองพันมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพอมีอะไรก็พอไม่เป็นมีรถเก่าก็อยากจะได้รถใหม่มีบ้านหลังเล็กก็อยากจะได้บ้านหลังใหญ่อันนี้เรียกว่าความทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็น มีอยากได้เพิ่มไปเรื่อยๆไม่รู้จะพออันนี้ก็ทําให้เกิดทุกข์นะ อ, อันนี้คือสาเหตุของทําให้เกิดทุกข์และวิภพว่าตัณหาตัวที่สก็คือตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากได้เอ๊ะอันนี้มันเป็นตัณหาอยู่หรือไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันก็อยู่ก็ดีแล้วเนี่ยอันที่จริงมันไม่ใช่นะไม่อยากมีไม่อยากเป็นนี่มันหมายถึงเรามี อย่างมีภรรยามีสามีเราก็รักใคร่กันมากชอบพอกันมากเราก็ไม่อยากให้พัดภาคนะบางครั้งมันต้องพัดภาคอันนี้คือไม่อยากอย่างนี้นะไม่อยากพัดภาคไม่อยากให้หนีห่างไกลไปเพราะอยากจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละหรือมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเรามีเยอะเราก็หวงมันอยู่นี่แหละ แล้วเมื่อเราก็หวงก็ห่วงมันไม่อยากให้มันสูญหายไม่ไม่อยากให้มันไปไหนเนี่ยมันก็ต้องไปเพราะว่าตามธรรมชาติของมันอันนี้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นทุกข์นะแต่มันหวงมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อันนี้เรียกว่าตัวตัณหาพาให้ทุกข์คือตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อตัวตัณหาเหล่านี้พาให้ทุกข์ แล้วจะทำยังไงล่ะก็ตัวต่อไปก็คือนิโรธความดับทุกข์เมื่อเรารู้ว่าทุกข์มาเกิดมาตรงนี้เราก็ดับมันดับพวกกิเลสตัณหานี่แหละดับก็เรียกว่านิโรธต่อไปเราจะดับโดยวิธีไหนดับอย่างไรก็คือตัวต่อไปก็คือมัดทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มัดมี เรียกว่าทางเนาะมีอยู่8อย่างเรียกว่ามัสมีองค์8ก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังก ป, ปรความดำริชอบสัมมาวายาการเครจาชอบหรือการพูดจาชอบสัมมากรรมมันโตการทําการงานชอบหรือการกระทําชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาคเพียรชอบ สัมมาสติความระลึกชอบสัมมาส ม, มาธิความตั้งใจมั่นชอบอันนี้8ดอย่างที่เราจะต้องดําเนินปฏิบัติให้ให้ดับทุกข์ก็ยากอยู่นะทั้ง8อย่างการปฏิบัติตามขั้นตอนของมัสมีองแปดนี่ยโอ้ก็แต่และอย่างแต่ละอย่างก็รู้สึกว่าเช่นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าการหนีออกจาก กิเลสตัณหานี่แหละมันจะเป็นเช่นอะไรล่ะออกบวชบ้างได้คมะการไม่เบียดเบียนกันงดเว้นจากอวายมุกสิ่งชั่วต่างอันนี้เช่นเหล่านี้ได้คำมะการหลีกเลี่ยงจากการประพฤติชั่วต่อไปก็สัมมาสัมมาสมาธิสัมมัสมาธิสัมมา คือปฏิบัติตามนี่แหละมักมีองค์แปดคือเวลาก็ดูแลว <laughs> เวลามันก็นชั้นชิดก็คือทางดับทุกที่เราจะต้องดำเนินไปขั้นตอนของมันก็ยืดยาวอยู่เนาะต่อไปก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคือว่าถ้าจะพูดตัวนี้ก็ยืดยาวอยู่ก็เลยจะพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติของการที่เรามา ศึกษามาเรียนมาเล่าเรียนเนี่ยบางครั้งก็เราก็จะต้องไม่ได้อยู่ตลอดไปเนาะก็จะต้องออกไปดำเนินชีวิตประกอบอาชีพเป็นขลือหัสบ้างเพราะฉะนั้นก็อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมของขั้รือหัสมีอะไรบ้างที่หลักใหญ่ๆก็คืออวัยมุกเนาะส่วนมาก สามัญชนของเราเนี่ก็จะไม่ค่อยหลีกเลี่ยงอบายมุกไม่รู้จักโทษพิษภัยของอบายมุกอบายมุกก็คือเหตุเครื่องทำให้สิบหายทำให้สิบหายไม่เจริญแน่ๆอบายมุกมีอะไรบ้างละ่ะดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตร เกียรติคานทำการงานอันนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่พาให้เราไปสู่อบายสถานที่ไม่เจริญเนาะชีวิตความเป็นอยู่ไม่เจริญอันนี้เรียกว่าเมื่อหลงไปสู่อบายมุกดื่มน้ําเมาทำให้เราหลงสติขาดความยั้งคิดไม่รู้เหตุรู้ผลทำในสิ่งที่ผิดก็ได้ สิ่งที่ถูกก็ได้นะฮะขาดสติเที่ยวกลางคืนก็เหมือนกันโทษของการเที่ยวกลางคืนมีเยอะทำให้คนไม่ไว้วางใจทำให้ได้รับโทษบางทีกลางคืนเนาะเขาเรียกว่ายามวิกาลมันอาจจะมีโทษมีพิษมีภัยเป็นที่ไม่ไว้วางใจของบุคคลผู้คนเนาะอันนี้เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นก็เหมือนกันทำให้เรามัวเมาขาดสติ เ ล, เล่นการพนันเล่นการพนันเนี่ยเป็นสิ่งที่พาให้ฉิบหายเนาะบางครั้งก็เสี่ยมเสียชับทรัพย์สินเสียเงินเสียทองเกิดการทะเลาะวิวาที่ น, นี้ก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนคบคนชั่วเป็นมิตรเมื่ออย่างตะกี้ก็พูดก็เมื่อตะกี้ที่ผ่านไปก็กสวดเนา ะ, ะที่ เทวดาไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าจะทํายังไงมงคลชีวิตถึงจะเจริญก้าวหน้าก็ขึ้นเลยอสยวนาจภพา ล, ลานางังการไม่คบคนพาลก็เข้ามาในข้อนี้เพราะฉะนั้นคนพาลก็พาให้เราไปหาผิดนะครับท่านบอกว่าคบคนพาลพาล พ, พาไปหาผิดถ้าครบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลครบคนชั่วก็พาตัวอับจนเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นข้อสําคัญเลยคนพบมีครบมิดไม่ดีเนี่ยการคบคนชั่วเป็นเม็ดจะพาเราไปทําให้ล่มจมไปเลยก็ได้นะพบคนชั่วเป็นเม็เมมเเดนะ เ, เ, มเกียร์คานทําการงานอันนี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วเราจะต้องทําหน้าที่ปฏิบัติงานประกอบอาชีพเนาะเราจะมานั่งมานอนอยู่ไม่ได้เพราะว่าเรามีหน้าที่จะต้องประกอบอาชีพ เกียร์คานลักษณะของเกียร์คานเช่นแดดร้อนมากก็อ้างว่าโอ้ยแดดไม่ทําแล้วมันแดดถ้าหนาวมากก็หนาวยังหนาวอยู่หรือบางครั้งก็เห็นว่ามันเช้าอยู่อ้างว่ายังเช้าอยู่ให้มันสายก่อนบางครั้งก็อ้างว่าโอ้มันสายไปทันไม่ทันเวลาอันนี้เรียกว่าคนเกียด์้านเพราะฉะนั้น ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเป็นอบายยมุกสิ่งทำให้สิบหายคนที่คองเรือนเนี่ยก็จะต้องตระหนักนะเรื่องอบายยมุกมันจะพาให้เราไม่เจริญทั้งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกเพราะฉะนั้นสุดท้ายดูเวลา ก, ก็จะขอพูดเกี่ยวกับ วงจรชีวิตเนาะชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาแล้วมันเป็นยังไงขั้นตอนชีวิตของเราท่านคือเราบางทีเราก็หลงเนาะเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยมันบางทีความรู้สึกนึกคิด ย, ยังหนุ่มยังแข็งแรงยังอยากได้นโนนอยากได้นี่อยากทำโนนอยากทํานี่ที่จริงชีวิตของเราเนา ะ, อะขอพูดเป็นภาษาอีสานเนา ะ, อะขอโทษ พวกที่เป็นภาษากลางอาจจะฟังไม่เข้าใจเพื่นว่าทีเดีสิบปีอาบนําบ่าหนาวคนเราเกิดมาได้สิบปีเนาะสิบปีอาบนาบ่าหนาวคันเศ้าปีเลนสาวบ่เบียหมายถึงยี่สิบปีเล่นสาวบ่เบี ย, บยคือกาลังขนองชอบเพศตรงข้ามเนาะอายุ20ปีสามสปีตื่นกอนไก อายุ30สิปีนี่เป็นวัยกำลังก่อสร้างกำลังทําประกอบอาชีพเข้มแข็งส0สปีเนี่ยสี่สบปีไปไ่มาทอดหอยโอ้ย <c oughs> <c oughs> อายุ <c oughs> อาจารย์อายุ40ปีเราเริ่มจะอ่อนล้า40ปีไปไซมาทอดหุ้ย <c oughs> ขี้เหนื่อยค่อนข้างจะไม่ไหวแล้วทำงานเนาะ40ปีเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักว่าเราจะต้องประกอบอาชีพยันขันแข็งในช่วงนหน <c oughs> 50ปี50ปีเป่าคุยวดังเริ่มอ่อนแล้ว หกสิบปีตีละครั้งบมวลนมันก็เริ่มอ่อนไปเรืเร่อยๆหกสิบไอยันเ <c oughs> จ็ดสิบปีเฮ้ยไปจบเจ็ดสิบปีเนื้อหนังแหงเงยีเ่ยวเป็นหยวก เนื้อหนังของเราเนี่ยมันเหี่ยวย่น70ปี80ปีนักหนวก <c oughs> มาตั้งหู <c oughs> หูหนวกนะ80ปีคือไม่ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างตาก็เริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วตามัว90ปี90ปีนี่ลูกล้น <c oughs> ลูกหลานดูนั่งร้องให้9 0ปีคือจะหมดแล้วนี่อายุ90้าสอะไรก็รู้สึกว่ามันจะหมดแล้วพลังถ้าร0อยปีไข่ก็ตายไม่ไข่ก็ตาย เ, เพราะฉะนั้นอายุของคนให้ร้อปีแค่นั้นแหละใข่ก็ตายไม่ไข่ก็ตายเนาะท้ายสุดนี้ก็ที่บรรยายมาจ็พอสมควรเจเวลาก็ ขออำนาจคุณพระศรีัตนไตัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงได้โดนบันดาลให้ผู้เจริญในธรรมทุกท่านผู้ไฟก็จงได้บำเพ็ญตนปฏิบัติตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ เห็นซึ่งดวงตาเห็นทรรมในชาตินี้แหละได้ถึงพระนิพพานทุกท่านทุกคนเทิน